นะโมตัสสะพระกวโัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะพระกวโัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะพระกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุทธะอังคุตรนิกายวันจการนิบาทสังคิตดสูตรก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันที่อารามของท่านอนันตะบิณฑกะเศรษฐีในพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกพิกสุตทั้งหลายมาแล้วได้รับสั่งดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายกำลังของเศขาบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องมีการศึกษาต่อไปห้าประการเหล่านี้มีอยู่ได้แก่กำลังคือศัตธากำลังคือหิอริกำลังคือโอตปะกำลังคือวิริยะและกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายกำลังของเศขาบุคคลห้าประการเหล่านี้มีอยู่ พวกเธทั้งหลายเพึงทําการสำเนียงใจอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยกําลังคือศรัทธากําลังคือหิริกําลังคือโอตะปะกําลังคือวิริยะและกําลังคือปัญญาอันเป็นกําลังของเสกขับุคคลก็กําลังคือศรัทธาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ เชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกคนควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทียวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี่แหละเรียกว่ากำลังคือศรัทธาภิกษุทั้งหลายก็กำลังคือหิอริเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีหิริย่อมละอาย อการประพฤติกายะทุจริตละอายต่อวจีทุจริตละอายต่อมโนโทุจริตย่ยอมละอายต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอากุศลนี้เรียกว่ากําลังคือหิริพิสุทิ์ทั้งหลายกำลังคือโอตตะปะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีโอตตะปะย่อมสะดุ้งกลัว ต่อกายทุจริตสะดุ้งกลัวต่อวจีทุจริตสะดุ้งกลัวต่อมโนโทุจริตย่อมสะดุ้งกลัวต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอกุศลนี้เรียกว่ากำลังคือโอตตปะพิสุตหลายกำลังคือวิริยะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมปรารบความเพียรเพื่อละ กุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่ากําลังคือวิริยะปิเสธทั้งหลายก็กําลังคือปัญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ยั่งถึงแห่งความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะอันเป็นเครื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เราเรียกว่ากำลังคือปัญญากเถิดทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ว่าพวกเราจะประกอบด้วยกำลังคือศรัทธาด้วยกำลังคือหิริด้วยกาลังคืออตปะ ด้วยกาลังคือวิริยะและด้วยกําลังคือปัญญาพิสษทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยทำห้าประการต่อไปนี้ย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนครับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปก็พึงหวังได้ในทุขติทำห้าประการ คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะเป็นคนเกียดคร้านและมีปัญญาสามทำห้าประการเหล่านี้แหละเธอผู้ใดที่ประกอบพร้อมแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนครับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันหรือเมื่อกายแตกตายไป ก็พึงหวังได้ทุกติส่วนเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยทำหม5ประการต่อไปนี้ย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแ้นไม่เล่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปพึงหวังได้ในสุคติทำห้ประการคือเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธามีหิริ นิโอตะ ป, ปะปรารบความเพียนและมีปัญญาทำห้าประการเหล่านี้แหละอันเธอผู้ใดประกอบพร้อมแล้วย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ขับแขนไม่เร่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปพึงหวังได้สุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุ เออพิกษณีบางรูปลาศิขาศึกออกมาเป็นกครือัดเธอย่อมถึงฐานะอันหน้าตีเตียนซึ่งถูกกล่าวหาอันชอบด้วยเหตุ5ประการในปัจจุบัน5ประการคือท่านไม่มีแม้ศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีแม้ฮิริในกุศลธรรมไม่มีแม้โอตปะ ในกุศลธรรมไม่มีแม้ความเพียนในกุศลธรรมไม่มีแม้ปัญญาในกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปลาสิขาซึกออกมาเป็นเครือข่ายย่อมถึงฐานะอันน้าตีเตียนซึ่งถูกกล่าวหาอันชอบเกิดเหตุ5ประการเหล่านี้ในปัจจุบัน ส่วนภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกโทมนัดมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่แต่ยังประพฤติปรมจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เธอย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญที่ชอบแก่เหตุห้าประการในปัจจุบันห้าประการคือท่า น, นมีศรัทธาในกุศลธรรม มีหิริในกุศลธรรมมีโอตปปะในกุศลธรรมมีความเพียรในกุศลธรรมมีปัญญาในกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกขโตมนันมีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ ย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญด้วยเหตุห้าประการเหล่านี้แลในปัจจุบันพิกสุตงหลายการถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลรธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อไรศรัทธาเสื่อมหายไปความไม่มีศรัทธาคืออัทติยะย่อมกลุ้มรุ่ม เมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมีการถึงอกุศลยอมม่ อ, ลยอมไม่มีตลอดเวลาที่หิอริในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดหิอริเสื่อมไปความไม่อร่าอายคืออหิอริกะย่อมกลุ่มรุ่มเมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมี การถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่โอตปะในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดที่โอตะปะเสื่อมหายไปความไม่สะดุ้งกลัวคืออโนตะปะย่อมกลุ้มรุเมเมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมีการถึงอกุศลยอมม่ อ, ลยอมไม่มีตลอดเวลาที่วิริยะ ในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อไรที่วิริยะเสื่อมหายไปความเกียดคร้านคือโกสัชยะย่อมกลุ่มรุเมเมื่อนั้นอกุศลธรรมย่อมมีการถึงอกุศลอย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ปัญญายังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อปัญญาเสื่อมหายไปปัญญาสามย่อมกลุ่มรุม เมื่อ น, นั้นการถึงอกุศลย่อมมีภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมกมุ่นอยู่ในกามกุลบุตรผู้ละเกี่ยวและขานหาบหญ้าอองบวยเป็นบันปชิตควรเรียกว่าเป็นกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวจากเรือนข้อนั้นเปรเียบไรยเล่าเพราะเขาควร ได้กามด้วยความเป็นหนุ่มและกามเหล่านั้นยังมีอยู่ตามสภาพคือเลวปานกลางและประนีตกามทั้งหมดนั้นถึงการนับได้ว่าเป็นกามทั้งนั้นพิกสุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้คว้าชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลืนเข้าไป ี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกได้โดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็จะประคองสีรษดเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้ว่าจะถึงให้เลือดออกก็ต้องทำข้อนั้นประเหตุไปเล่าประเหต์ว่าแม้เด็กนั้นจะได้รับ ความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงก็หวังการปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทําเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั่นเองครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอกวนแล้วพี่เลี้ยงก็ปล่อยมือไม่จ้าที้จำ้ำใจในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าวันนี้ เด็กนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วดังนี้ข้อ น, นี้ฉันใดก็ฉันนั้นตราบใดที่ภิกษุยังไม่ได้ทํากิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทําด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปะปาด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังจะต้องตามคุ้มครอง เธอผู้นั้นแต่ถ้าเมื่อใดเธอนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาสาเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในเธอผู้นั้นโดยคิดว่าบัด น, นี้พิกสุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้ว ไม่อาจประพฤติหละหลวมไม่ควรประมาทต่อไปทีกสุดทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการต่อไปนี้ย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมห้าประการเป็นอย่างไรเล่าคือตนนั้นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหรือเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในศรัทธา ย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระธรรมเธอผู้ที่ไม่มีหิริเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในหิริย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระธรรมเธอผู้ที่ไม่มีโอตปะหรือไม่เป็นผู้มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในโอตปะย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่น ในพระสธรรมเธอผู้ที่มีความเกลียดร้อนไม่เคารพไม่ยาเกรงในวิรยิยะย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสธรรมเธอผู้ที่มีปัญญาสามไม่เคารพไม่ยาเกรงในความมีปัญญาย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสธรรมส่วนเธอผู้ใด ที่ประกอบด้วยธรรมต่อไปนี้ย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสธรรมคือเธอเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในศรัทธาย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสธรรมเธอผู้มีหิริผู้มีความเคารพความยำเกรงในหิริ ย่อมเป็นผู้ตั้งมั่นไม่เคลื่อนในพระสธรรมเธอผู้มีโอตปะเป็นผู้ม nice. ีความครบมีความยำเกรงในโอตปะย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสธรรมเธอผู้มีความเพียรมีความครบยำเกรงในความเพียรย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสธรรม เธอผู้มีปัญญาผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในปัญญาย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระศิ ธ, ธรรมภิกษุทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาย่อมเป็นผู้ถึงความเจริญงอกงามในธรรมมาวินัยนี้ พิสูจน์ต้องหลายในกําลังของพระเสกค่ะ5ประการได้แก่กําลังคือศรัทธากําลังคือหิอริกําลังคือโอตปะกาลังคือวิริยะและกําลังคือปัญญาในกําลังของพระเสกค่ะ5ประการนี้กําลังคือปัญญาเป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมสิ่งที่เป็นเลิศเป็นยอด เป็นที่รวบรวมแห่งเรือนยอดคือยอดฉันใดบรรดากำลังบรรดากำลังของพระเสขะหประการนี้กำลังคือปัญญาเป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมฉะนั้นเพระเหตุ น, นั้นพวกเธอทั้งหลายเพื่นทำการศึกษาว่าพวกเราจะประกอบพร้อมด้วยกำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกาลังคือโอตปะ กำลังคือวิริยะและกำลังคือปัญญาพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนีกใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกำลัง5ประการเหล่านี้มีอยู่และแก่กำลังคือศรัทธากำลังคือวิริยะกำลังคือสติกำลังคือสมาธิและกำลังคือปัญญาในกำลัง5ประการนั้น กำลังคือศรัทธาเป็นอย่างไรเล่าคือตัวในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง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 คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อประกอบพร้อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่ากําลังคือวิริยะก็กําลังคือสติเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเป็นเรื่องรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกถึงตามระลึกถึงแม่สิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้นี่เรียกว่ากำลังคือสติก็กาลังคือสมาธิเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย จึงบลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตรามนันได้และเพราะวิตกวิจารณระ ง, งับไปจึงบรรลุชานที่สองมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตรามนันได้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้มีอยู่เบกกามีสติ สัมปชัญญะสวยสูดด้วยนามกายซึ่งบุรุษฌานที่สามเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ใดฌ า, านนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อน จึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละเรียกว่ากำลังคือสมาธิก็กำลังคือปัญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้ยังลงถึงความเกิดขึ้น และความตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอรยะยอันเป็นเรื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี่แหละเรียกว่ากำลังคือปัญญาภิษุทธทั้งหลายก็กำลังคือศรัทธานั้นหาได้ในที่ไหนกำลังคือศรัทธาพึงหาได้ในโสตปฏิยังคีกำลังคือวิริยะพึงหาได้ในที่ไหน กำลังคือวิริยะพึงหาได้ในสัมปทานสี่ก็กำลังคือสติพึงหาได้ในที่ไหนกําลังคือสติพึงเห็นไดในสติประฐานทั้งสี่ก็กำลังคือสมาธิพึงเห็นได้ในที่ไหนกําลังคือสมาธิพึงเห็นไดในฌานทั้งสี่ก็กำลังคือปัญญา พึงเห็นได้ในที่ไหนกำลังคือปัญญาพึงเห็นได้ในริยาสัตสินี่แหละคือกำลัง5ประการลักษณะของสัมมาวาจาคือเท่านั้นละมุสาวาดเว้นขาดจากมุสาวาดพูดแต่ความจริงรักษาความสัต มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกเธอนั้นละคาส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้ เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้ว <S <S <S ให้กลับพร้อมเปลี่ยงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเปรี่ยงกันอยู่ให้พร้อมเปลี่ยงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเปรียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเปรี่ยงเป็นคนพอใจในการพร้อมเปรี่ยงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปรี่ยงกัน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 วาจาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียนองค์ประกอบอย่างไรเล่าคือหนึ่งกล่าวแล้วควรแก่เวลากล่าวแล้วตามสัจจริง กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานกล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิตกล่าวเป็นสุภาษิตเท่านั้นไม่กล่าวเป็นทุภาษิตกล่าวเป็นธรรมเท่านั้นไม่กล่าวเป็นอาธรรมกล่าววาจาน่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่กล่าววาจาไม่น่ารักแก่ผู้ฟัง กล่าวว่าจาสัตว์เท่านั้นไม่กล่าววาจาเหรอแหละพิสุทธั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ตีเตียนลักษณะของวาจาของสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีอสัตบุรุษหรือคนไม่ดีในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำ ม, มาเปิดเผยให้ปรากฏ จะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยละเอียดข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษ พิสุทหลายอะสัตบุุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวเมื่อไม่ถูกใครถา ม, มก็เมื่อถูกถามถึงความดีของบุคคลอื่นจังหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนควยเขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่น อย่างไม่ละเอียดเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีปิสุท์ต่งหลายอสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนจังหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนควยเขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่ละเอียดเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีภิกษตั้งหลายคนไม่ดียางอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตน ก็นำมาโอ้โอวดเปิดเผยจะต้องกล่าวทำไมเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนค่อยวกล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยละเอียดก้อนนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดี ภิสูจทั้งหลายบุคคลที่ประกอบได้ทำสีประการเหล่านี้แหละเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษคือคนดีสีประการคือสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดี ของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทาไมเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นจังหน้าเข้าก็เอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่ละเอียดเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เิดว่า คนคนนี้เป็นคนดีปิจิทตงหลายคนดีอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำเอามาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่น ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยละเอียดบริบูรณ์ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏ ทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนจังหน้าเข้าก็ไม่นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนบิดปลิวแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยละเอียดเต็มที่ข้อนี้พึงรู้ตดว่าคนคนนี้เป็นคนดีพิสูจนงหลายคนดีอย่างอื่นยังมีอีก คือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนจังหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทําให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่มพิสดารละเอียดเต็มที่ ตอนนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีพิสูจหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสประการเหล่านี้แหละเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนดีเปรียบเหมือนหญิงสะภ้ายใหม่อันเขาเพิ่งนำมาชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเท่านั้นก็ยังมีความละอายและความกลัว ที่ดารงไว้ได้อย่างเข้มแข็งในแม่ผัวบ้างในพ่อผัวบ้างในสามีบ้างแม้ที่สุดแต่ในธาตุกรรมกรและคนใช้ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสะใภนั้นก็ตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างแม้แต่กับสามีว่าหลีกไปหลีกไป พวกแกจะรู้อะไรหดังนี้นี้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเพียงเท่านั้นหิริและโอตปะคือความกลัวและความละอายของเธอนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแม้ที่สุดแต่ในคนวัดและสามเณรรันล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอก็กล่าวตาวาดอาจารย์บ้างอุปัชาบ้างว่ารีไปรีไปพวกท่านจะรู้อะไรหนังนี้ภิกษุทั้งหลายประเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึ่งทำการศึกษาสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีจิตเสมอ ก, กันกับหญิงสบายใหม่ผู้มาแล้วไม่นานอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งทำการสำเนียกอย่างนี้ฟังธรรมคำพุทธะ